ต่านี้ก็คือเราต้องดูกำลังของเราด้วยว่าเราจะยกมือไปด้วยหรือหายไปใจไปด้วยตรวจสอบให้ชัดหรือบางคนเนี่ยบอกเอ้ผมฟังแล้วเนี่ยเห็นคนยกมือด้วยเนี่ยเขาจะฟังรู้เรื่อ ง, ง, งหรือเปล่าหรือบางทียกฟังแล้วไม่ยกมือมันจะอินเกินไปหรือเปล่านี่บางคนฟังไม่ยกมือก็เข้าไปเต็มที่เลย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 เพราะจิตของเราไม่พร้อมขนาดนั้นนะ่ะนะอันนี้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือดูความพอดีด้วยนะอ้าวหูนั่งใกล้ใกล้กลเฉ